ในวันสิ้นปีหมดเขตฤดูฝนแปลว่ากระถินกระถินแปลว่าหมดเขตวันนี้นะเป็นหมดเขตกระถินแต่ว่าฝ่ายธรรมยุทธคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์วันพุงนี้เป็นวันหมดเขตกรถินทำไมพูดอย่างนั้นหลวงพ่อเพราะวันอุโบสถ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 ัรวบทั้งครูบาอาจารย์ด้วยประมาณห0 0้อยกว่าคนก็มากพอุมควรอยู่สมาทานศีนาเตน่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยิเลนะเนปุติงยียนติตัตมาสีหลังวิโสทาเยหลวงพ่อเองได้ออกจากวัดไป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 กอบทำกบสพุงศรัทธาญาติโยมรวบรวมคนได้ได้สามแสนมั้งสามแสนหลวงพ่อเอ้ยสามแสนเอาอีกสักเอาหลวงพ่อให้อีกแสนหนึ่งเอาเงินวัดของเรานคณะศรัทธาญาติโยมนะสมทบเข้าเพื่อสร้างวัดใหม่เขาแสนหนึ่งแล้วเท่าแกแห่งอีกโคราชเอาผมอีก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 มีแต่ทำเท่านั้นแหละที่จะทําให้ร่มเย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นพวกเราควรจะเอาธรรมธรรมะธรรมคาสอนธรรมะคือเหตุผลเอาหลักหลักเหตุผลมาปฏิบัติถ้าว่าเราพวกเราเอาหลักเหตุผลมาปฏิบัติแล้วนั่นแหละอยู่นสถานที่ใดถึงจะมากถึงจะน้อยก็สงบร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้า แต่ถ้าหากว่าเอากิเลสมาใส่กันขนาดอยู่สองคนก็ยังอตาเขียวใส่กัน อ, อีกเพราะเหตุไรเพราะมันเอากิเลสมาใส่กันอทําพิษนิดๆห น, น่อยๆนานขวางหูวขวางตาไปหมดเพราะเหตุไรเพราะว่ากิเลสแต่ทําทถ้าทําอยู่ในจิตใจแล้วก็เออมันต้องมีเหตุมีผลมองกันในแง่เหตุแง่ผลอย่าไปมองกันในแง่ร้ายถ้ามองกันในแง่เหตุีแง่ผลแล้ว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 เพิงจะมากมากน้อยมากมายขนาดไหนก็เถอะมันยืดจุ่นต่อกันได้ทั้งนั้นแหละแต่ถ้าว่ามีต่กีดเด็เข้าหากันนี่อมันยากเหมือนกันนะเหลือร้อนวุ่นวายนะโลกทุกวันเห็นไหมที่เรามองมอ ง, มองดูทังสื่อต่างๆมันโลกมันแคบแต่ประเทศไหนต่ประเทศไหนแจ้งข่าวกันมาเห็นๆแล้วโอ้ไม่น่าจู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 ส่งอนุโมทนาให้พร